อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีขอเปิดรายการสถานีของเราในเช้าวันเสาร์ที่28เมษายนซึ่งก็วันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลยิ่งอีกวันหนึ่งของชาติไทยเรานะคะเนื่องจากว่าเป็นวันที่ครบววนคล้ายวัน พระบรมราชาพิเศษสมรสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏค่ะซึ่งคิดว่ารายการธรรมารา บ, บรุนในช้าวันนี้ที่กลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านในช่วงของการสนทนาธรรมะหรือสนะักการะนั้นเนี่ยก็คงลําดับแรกก็คงจะได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์ไพบุตรพิพุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้ดำเนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล้นปิดวาจาตามพุทธ โอดของ อ, องค์พระสามาสัมพุทธเจ้าได้ได้กราบอมนวยพรหรือว่าให้แง่คิดคติในวันอันเป็นมงคลของชาติวันนี้ด้วยนะค ะ, อะนอกจากนั้นเราก็ยังจะมีเรื่องที่น่าสนใจมาเสนอท่านฟังได้รับฟังกันค่ะโดยจะได้กราบเรียนเชิญพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนท่านพระอาจารย์ของเราได้พูดคุยให้ฟังถึงคาสอนขององค์พระศามาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นเนี่ย ทรงสั่งสอนไว้ในเรื่องต่างๆที่สำคัญสาคัญซึ่งพี่น้องประชาชนอาจจะเข้าใจผิดหรือว่ามีหลายส่วนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจในพระธรรมคำสอนอันแท้จริงเนี่ยได้ทราบกันอย่างแท้จริงนะคะค่ะวันนี้เป็นวันที่28ดเมษา ย, ยนอย่างที่ได้กล่าวแล้วนะคะวันนี้เป็นวันขึ้นแปดค่ำเดือนหปีมะโรงค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมา กราบนมัสการพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพานสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาโยมอยากกราบข อ, อนมัสการขอความเมตตาพระอาจารย์ไภบุญอภิปุนโนในฐานะที่เป็นตัวแทนของเพลศพระครูหลวงพ่อดออรสะอาดทิโทภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี ซึ่งก็ขอให้เป็นตัวแทนของพระสุกนิกรชาวไทยนะเจ้าคะ่ะที่จะได้อาิบเอาพระธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาเฉลิมพระเกียรติหรือว่าอันวยพรแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจยหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวโรการสสาคัญที่วันนี้เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชาีาเพระบมราชินาสค่เายนรมรนถเจ้าข่อพระบริบนีานวกสัญ่วัน้เปล้ายนรบนถจ้พ่อระบรมรนนะกับคนที่ครองเรือน พระปราชญบอกว่าคนที่อยู่ครองเรือนด้วยการเป็นมีคู่ที่ไม่ผิดก็ไม่ผิดคู่ผิดครองคนอื่นเนี่ยนะเป็นคนที่น่ายกย่องเป็นขุ ร, ระเบดีที่มีศีลคนที่มีศีลเนี่ยสักข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะหรือทั้งหมดยิ่งดีไปสู่บริษัทไหนเนี่ยก็ไม่ครั่งคร้ามนะเข้าสู่ที่ไหนก็มีแต่ความองอาจกล้าหาญได้เพราะฉะนั้นใน ในกรณีอย่างวันครบรอบวันการราชาพิเศษสมรสใช่ไหมก็<ด>เป็นโอกาสที่เราได้ระลึกถึงว่าโอ้ขนาดพระราชาหมหากษัตร์นะยังมีเขาเรียกว่าคู่ครองคู่เดียวนะไม่ได้มีองค์เล็กองค์น้อยหรืออะไรอย่างนี้นะนซึ่งเราชาวไทยเนี่ยควรจะมีเครื่องตื่นสติ่ว่าโอ้เราควรจะตั้งมั่นอยู่ในศีล น, นะขณะพระราชาเนี่ยยังจะได้ต้องการอะไรก็ได้หมดใช่ไหมแต่ว่าพระองค์ก็ไม่ทําก็เป็นผู้ที่มีครองคู่ชื่อสัตว์กันอยู่นะ องพระองค์ก็เป็นเครื่องที่เราควรจะมาเตือนใจว่าเออฉันก็มีธรรมะในข้อนี้ได้ประการที่สองันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในะกรณีที่ว่ากษัตริย์องค์ไหนเนี่ยมีธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นผู้ที่ปกครองโดยธรรมนะตัวพระองค์เองก็เป็นผู้ที่ปกครองโดยธรรมปกครองหมูนะ่สง์โดยธรรมถ้าพระราชาองค์ไหนมีธรรมะเนี่ยก็เป็นกษัตริย์ที่ควรยกย่องนะเป็นก็เรียกว่า <S <S เป็นธรรมราเป็นราชาโดยธรรม ปลุกครองโดยธรรมบรรยากาศนี้ก็เป็นเครื่องเตือนสติเราชาไทยนั่นแหละให้เป็นผู้ที่อยู่ในศีลเราจะช่วงนี้ข้อ3กิ๊กกิกอะไรเลิกให้หมดแล้วก็ให้มีความมั่นคงมั่นใจในคู่ครองเราพี่ถูกค่อยแก้ไขกันไปหรอกแล้วบางทีมันมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างคนเตือนใจอยู่คู่เนี่ยนะยังไงมันก็ต้องมีกระเทือนกันบ้างคนนี้จะเอาอย่างนี้คนนั้นจะเอางั้นเราก็ค่อยๆแก้ไขไปเราค่อยใเย็นๆพูดๆกันเนี่ย มันก็อยู่กันได้มันก็จะค่อยๆเป็นเข้าไปได้นะเพราะฉะนั้นก็ให้มีความอดทนมีความเกื้อกูลเอาใจใส่มีเมตตาต่อกันก็จะรอดผลไปได้เรื่องนี้ผู้เช่าสอนมากเลยคุณตือนใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตคู่นะมีะธรรมะสําหรับคนคู่นะธรรมะสําหรับการใช้ชีวิตบริหารงานครอบครัวนะที่เหนือไปกว่านั้นก็พูดถึงการหลีกออกจากเรือนไปไม่เกี่ยวขอ้องด้วยเรือนอย่างนี้มาบวชเลยก็มีมีทุกระดับ มีคนเคยพูดแบบว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยคุณตนใจเป็นลักษณะว่าตั้งแต่สักเบอร์อรยันระรบน ะ, ะมีให้เลือกทุกอย่างน ะ, ะมีทั้งเซ1่นบวก Big กซีโรลตัสแล้วก็แมคโครรวมกันหมดมคุณจะไปเลือกอะไรก็ได้น ะ, ะที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของเรานะเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างเงี้ยเรามีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะว่าเป็นผู้ที่อยู่ในศีนลดำรงอยู่ในศีลก็ใคยๆเขาก็ยกย่องะอนะอืม เจ้าค่ะอันนี้ก็สมควรอย่างยิ่งที่ประสบกิกรชาวไทยนะเจ้าคะจะได้ยึดแบบอย่างของผู้ลงค์ท่านหรือว่าดําเนินรอยตามพยาคุระบาดในเรื่องของการที่จะอยู่ในศีลในธรรมนะเจ้าคะประพฤติตนให้ถูกต้องตามคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นองค์พระมิ่งขวัญดวงใจของประสบกิกรชาวไทยทั้งชาติรวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาด้วยนะเจ้าค่ะ เจ้าค่ะคราวนี้โยมก็จะมาถึงเรื่องที่อยากจะกราบน้ำระสการเรียนถามหรือว่าสากักการะพูดคุยสนทนากับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนใน เช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเมษายนเจ้าคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือองค์ระสัพพุทธเจ้าของเรานั้นเนี่ยที่แท้จริงๆแล้วที่เป็นบริสุทธิ์จริงๆโดยไม่มีการบิดเบือนหรือว่านําไปไปถึงต่อยอดจนกระทั่งผิดรูปแบบเดิมไปนี่ ม, มีอย่างไรก็กลัดนมัสการเลยเจ้าค่ะก็ น, นี่เป็นประเด็นที่คิดว่าจะพูดให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่าตั้งแต่เรามาจัดรายการคุณจันจมันได้จะดสองปีแล้วนะ เ อ, อแล้วก็เราก็ได้รวบรวมเนื้อหาประเด็นธรรมะต่างๆต่อคํ า, า, าถามท่านผู้ฟังอะไรบ้างนะแล้วก็ที่บางท่านก็เข้าใจถูกก็มีเข้าใจผิดก็มีวันนี้ก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยเรามารวบรวมไอ้ข้อมูลต่างๆที่เราเคยคุยมาให้มาทราบกันจริงๆจังๆว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคืออะไรกันแน่เจ้าค่ะทีนี้ก็ต้องเริ่มเท้าความสักนิดหนึ่งก่อนคืออย่างสมมติเรานับถือศาสนาพุทธใช่ไหมศาสนาศาสนาศาสนาเนี่ยแปลว่าคําสอน นะคําสอนของใครของพุท ธ, ธะใช่ไหมพุทธะคือใครคพุทธะคือบุคคลที่รอบรู้ไปหมดเอา้ามาได้ไงพุทธะนี่ทําให้เราไปเข้าใจว่าโอ้พุทธะนี่โอ้ต้องกราบไหว้ต้องแบบเหนือโลกต้องเป็นสิ่งที่แบบประเสริฐสูงสุดอะไรอย่างนี้คืออันนี้ก็เข้าใจถูกอยู่ทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทธะได้เนี่ยมาจากใครในอะย่างพระเจ้าพุทธเจ้าของเราองค์นี้ปัจจุบันนี่นามสกุลโคโดมคนะชื่อสินทัตะอยู่ในศากยะตระกูล แล้วก็เอเป็นคนธรรมดามาก่อนคนธรรมดาหมายความว่าก็เกิดออกจากคันมีพ่อมีแม่แต้องกินต้องไปห้องน้ําต้องสวมเสื้อผ้าเหมือนกับเราท่า น, ท, น, ท, นทุกคนนแะต่เกิดในเชื้อสายกษัตริย์นะไม่ใช่เทพเจ้ามาฟ้าผ่าลงมาตุม้มแล้วก็จุติขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วก็ต้องกินข้าวเหมือนเราทุกคนธรรมดาทั่วไปเราก็ต้องไปห้องน้ําด้วยปสัสสาวะอุจจาระก็เหมือนกันอันนี้ต้องเข้าใจอันดับที่หนึ่งก่อนนะแล้วก็การที่เ อ, อ ส, สัมมาสูตฆาของเราเนี่ยสมมาโคดมเนี่ยจะมารู้ตรัสรู้ข้อมูลที่ที่เอามาให้พวกเราฟังฟังกันเนี่ยนะคุณเตือนใจคื อ, อคการการข้อมูลเขาเรียกว่าการปฏิบัติของสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยหรือว่าสาวกทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เป็นการปฏิบัติเพื่อคนใดคนหนึ่งสมมติอารมานั่งสมาธิอย่างเงี้ยหรือคุณเตนใจไม่นั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่เพื่อเพื่อพระพุทธเจ้านะฟังให้ดีไม่ใช่เพื่อว่าโอ้เราสบูชาพระพุทธเจ้าเราจึงมานั่งปฏิบัติอันนี้ ส่วนหนึ่งแต่ที่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยเพื่อที่จะชำระกิเลสในใจของเรานั่นะคือคน <Okay. S 1> ส่วนใหญ่คิดว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยคนอื่นทําให้นะฉันไม่มีข้าวกินนี่ไงมันไม่ให้เงินฉันใช้ฉันหิวข้าวก็เพราะว่าไปซื้อของคนอื่นไม่ขายนะ <Okay. S 1> มันโทษคนอื่นหมดหังนะคิดว่าเหตุของความทุกข์เนี่ยคนอื่นทําให้นะฉันทุกข์เพราะผัวฉันทุกข์เพราะลูกฉันทุกข์เพราะเมียฉันทุกข์เพราะเจ้านายนี่มันเป็นอย่างนี้ คนอื่นจะเข้าใจอย่างนี้แต่สิ่งที่ผู้เช่าสอนคืออะไรคนต้นเหตุของความทุกข์น่ะไม่ใช่ผัวไม่ใช่เมียไม่ใช่ลูกไม่ใช่เจ้านายไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่ลูกค้าด้วยแต่เป็นตัณหาคืออยู่ในใจเราตัณหาอยู่ในใจใช่เพราะนั้นคุณปฏิบัติเนี่ยคุณปฏิบัติเนี่ยคุณไม่ใช่เพื่อว่าโอจะให้เจ้านายพอใจให้ลูกน้องพอใจให้ผัวพอใจให้เมียพอใจเขาจะได้ให้ตัวเรามีความสุขไม่ใช่คุณปฏิบัติเพื่อคลายตัณหาเพราะตัณหาออกไปหมด คุณก็มีความสุขมากที่สุดอันนี้ <amar college. S 1> ถ้ามันค่อยๆ ค, ค, คลายออกไปานาฏนาค่อยๆคลายออกไปคลายออกไปเราก็ค่อยมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นก็คือเราก็จะเบาขึ้นเบาขึ้นนะเจ้าค่ะทีนี้เราต้องเข้าใจนะว่าเราการปฏิบัติของเราเนี่ยไม่ใช่บูชาคนในคนหนึ่งหรือว่าทําคนในคนหนึ่งให้พอใจ <irsiniz. S 1> คือบางทีเราจะไปเข้าใจว่าโอ้ฉันทําอย่างนี้นะเพื่อบูชาเทพเจ้าองค์นั้นองนี้เขาจะได้พอใจจะได้บันดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อันนี้ไม่ใช่คําสอนพระพุทธเจ้านะถ้าไม่งานพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย อยางสมณคโหนมนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้โพคุณเตใจโอ้ฉันขอนั่งสมาธินี้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งต้นไม้โพขอให้ฉันบรรลุเป็นสมาธสมพุทธ์ฟ้าผ่าเปรีย้ยงปัดดินไหวบุ๊มมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิสมณคโหนมนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้โพเนี่ยเพื่อขจัดอ e ิเลสเพื่อขจัดตัณหาที่อยู่ในจิตอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวอย่างนี้น ะ, ะ, ะเป็นเป็นเรียกว่าการทําความเพียรทางจิตเพื่อที่จะละ เจ้าตัวสิ่งที่อยู่ในใจของเราะตัวปัญหาที่อยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้คือความแตกต่างถ้ามีใครบอกว่าโอ้เอ่อต้องเป็นเทพองค์นั้นเทพองค์นี้ทําอย่างสิ่งนั้นอย่งสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเป็นความทุกข์ของเราอันนี้คุณไม่ใช่พระเจ้าสอนละตรค่ะอันนี้ไม่ใช่พระเจ้าสอนแน่นอนนะพระเจ้าสอนแต่เหตุของความทุกข์นั่นคือตัณหาเราปฏิบัติเพื่อละตัณหาคือเหตุของความทุกข์เนี่ยนะคุณตินใจมันมีมากมายถ้าเราจะแยกไปทีละประเด็นประเด็นเนี่ยนะ ข้าวหมดก็เป็นทุกข์ไม่มีเงินใช้ก็เป็นทุกข์หัวไม่หัวกินเหล้าก็เป็นทุกข์เมียตีไพ่ก็เป็นทุกข์ลูกเรียนไม่เก่งก็เป็นทุกข์แต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะมารวมถ้าเราสาวเข้าไปสาวเข้าไปเนี่ยมันจะมาสุดอยู่ที่ตัณหาเพระพุทธเจ้าจึงต้องไปจุดที่จุดที่ตรงนี้ทีนี้สิ่งที่เราต้องเข้าใจอีกอย่างที่3นะคุณติใจคือเรื่องการทําหน้าที่ของอกระบวนการที่พระเจ้าสอนคือหมายว่าอย่างตัณหาเนี่ย เ, เราบอกว่าเป็นเหตุ ข, ของความทุกข์ พรนะพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเหตุของความทุกข์เราต้องเอาออกนะแล้วความทุกข์อย่างเงี้ยอย่างเช่นอปวดหัวนะเป็นความทุกข์นะป่วยหรือว่าหิวข้าวอันนี้เป็นความทุกข์นะหิวข้าวนะซึ่งเราไปเข้าใจว่าเ อ, อสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องการให้เกิดนะความทุกข์เนี่ยเราไม่ต้องการให้เกิดคือต้องการเอาออกไปนะแต่พุทธเจ้าบอกว่าความทุกข์นี่คุณต้องเข้าใจเขาไม่ใช่ให้ออกไปสิ่งที่ต้องเอาออกไปคือตัณหาทีนี้เราก็ไปไป พยายามอ้อนวอนนับอ้อนวอนขอร้องอธิษฐานตั้งความปรารถนาอะไรต่างว่าให้ความทุกข์ในชีวิตชั้นอย่ามีงั้นคุณเข้าใจผิดคุณปฏิบัติตรงกันข้ามกับที่พี่เจ้าสอนเพราะอะไรพี่เจ้าสอนบอกว่าตัณหาต้องเอาออกความทุกข์ต้องทําความเข้าใจแต่คุณไปอ้อนวอนว่าความทุกข์ต้องเอาออกอันนี้ผิดเลยแต่เอาตัณหาเข้าคือความอ้อนวอนความอธิษฐานพวกนี้เป็นตัณหาทั้งสิน้น <Okay. S 1> โอหนี่เราปฏิบัติตรงกันข้ามกับที่พี่เจ้าสอน อย่างอย่างคำพูดเนี่ยมันหลายจุดที่ใช้ไม่ตรงกันคุณตัณใจเลยอย่างคําว่าอธิษฐานอย่างเงี้ยอธิษฐานเนี่ยที่พระเจ้าใช้เนี่ยอย่างอธิษฐานใต้ต้นไม้โพอย่างเงี้ยพระเจ้าหมายถึงการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไอเราดันไปขออธิษฐานมาขอให้รวยขอให้ถูกหวยเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เลยนะอธิษฐานนี่คือการตั้งมั่นอย่างแรงกล้าในการที่ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วพระเจ้าบอกว่าชัดเจนว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนั้นเป็นความทุกข์ เพราะนั้นเราไม่ได้ไม่ได้ปรารถนาเอาผลไงแต่เราอธิษฐานสร้างเหตุอย่างสมมติมีคนมาขออาตมาเงี้ยบอกท่านขอพรข้อนึงได้ไหมขอให้ตัวกระผมหรือตัวดิฉันเนี่ยสามารถรักษาศีลได้อาตมาให้พรข้อนั้นเลยก็คือบางคนจะไปเข้าใจว่าพระให้พรคือมานั่งสวดสวดให้พรไม่ใช่อย่างเวลาอย่างการขาวพรของคนในสอยบริการที่มาขอพรบระุจาเนี่นะเขาขอว่าอ สมมตพุทธเจ้าขอพอรข้อนี้ได้ไหมว่าขอให้ฉันได้ถวายทานในสงฆ์ด้วย <Okay. S 1> ทานเช่นผ้าอาบน้ําฝนพุทธเจ้าบอกอให้พรเธอก็คืออนุญาตให้มีการถวายผ้าอาบน้ําฝนได้อย่างนี้ซึ่งปกติพระสงฆ์จะไม่รับผ้าอาบน้าฝนอีกคนหนึ่งมาขอเอาขอพอรได้ไหมพุทธเจ้าขอให้มีการรับกุฏิมิหารพุทธเจ้าให้พรข้อนั้นนั่นคืออนุญาตให้ทํา ลักษณะนี้นะเพราะสมมติมีคนมาขอพรนะมาว่าเออขอให้ฉันรักษาศีนได้อุยเราจะเรียกมาเลยบอกว่าอะศีนข้อที่หนึ่งเป็นอย่างนี้นะมีรายละเอียดเป็นอย่างนี้นะเธอต้องระวังตรงนี้นะแล้วเธอทําอย่างงี้ได้นะอย่างนี้ทําไม่ได้นะเราจะอธิบายให้หมดจดเลยเพื่ออะไรเพื่อให้เขาจะได้รับพร น, นี้ไปว่าเขาจะรักษาศีนได้อืมเจ้าค่ะและไอ้ที่พระสงฆ์สวดอยู่ทุกวั น, ท, วนทุกวันตอนกินข้าวเนี่ยอะไรอันนั้นมันคือการอนุมโมทนานะพระเจ้าอนุ ญ, ญ, ญาตให้มีการอนุมโมทนาในที่ฉันได้ อนุโมทนาเนี่ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าว่าเออขออนุโมทนาคุณนะคุณทําบุญแล้วคุณต้องได้บุญนะอ่คุณต่ออายุพระสงฆ์หนึ่งวันเนี่ยก็เป็นทางมาเพื่ออายุวันนัดสุขภาพละใครทําใครได้นะประมาณนี้แค่นั้นเองา <Okay. S 1> อ่ไม่ได้ให้พรว่าต้องประสงค์ให้พรนันนะั้นแล้วคุณถึงจะได้พรมไม่เป็นอย่างนั้น <Okay. S 1> ค, คุณทําคุณได้เลยนะ <Okay. S 1> ทีนี้การอ้อนบอนอธิษฐานตรงเนี้ยอธิษฐานเป็นการที่ตั้งมั่นอย่างแรงกล้านในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วการให้พอรอย่างถูกต้องก็คืออย่างที่ว่าคุณขอพอรในการที่ตั้งมั่นในการที่เราจะรักษาศีลได้ตั้งมั่นในการที่เราจะทำจิตให้เราสงบได้ตั้งมั่นในการที่เราจะทำให้เกิดปัญญาได้นะคือขอสร้างเหตุเหตุในที่นี้หมายถึงอริยมรตมีองคนะ์แปดถ้าคุณขอในลักษณะนี้นะโอ้ดีมากมากนะไม่ใช่หวังผลแต่เป็นการอขอเพื่อสร้างเหตุเขาเรียกว่าการอธิษฐานที่ถูกต้อง <Okay. S 1> เป็นอย่างนี้ <Okay. S 1> นะเรก็ พูดถึงเรื่องความทุกข์เนี่ยเราต้องอย่างสมมุติเราจะขอว่า อ, อขอให้ชีวิตฉันไม่มีความทุกข์คุณต้องขออย่างงี้บอกว่าขอให้ฉันเข้าใจความทุกข์อย่างถูกต้องคุณจิใจใ<ช>เข้าใจไหมคือทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเป็นสิ่งที่ต้องรอบรู้เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจเขาแต่บางทีมันเข้าใจในลักษณะไหนเออทุกแบบที่ทนได้ยากก็มีนะทุกแบบทนได้ง่ายก็มีนะเหตุของความทุกข์คืออะไรประโยชน์ของความทุกข์คืออะไรวิธีแก้ความทุกข์คืออะไร น, นี่เราต้องเข้าใจหมด แนะคือไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ข้อดีของเขาข้อเสียไม่เอามันไม่ได้มันต้องมีมาด้วยทุกอย่างต้องมีบวกและลบใช่ไหม <Okay. S 1> อพอเราเข้าใจลักษณะนี้แล้วเนี่ยคือพระเจ้าจึงจะสอนให้เราเข้าใจตรงนี้เพื่อที่อะไรเพื่อที่พอเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราเอาตัวเองเป็นที่พึ่งนะไอกระบวนการการทําความเข้าใจตรงนี้คือธรรมะนะแล้วเราก็ไม่ต้องไปปฏิบัติเพื่อที่จะบุชาใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะนะเพื่อทําให้เขาพอใจแต่อย่างไรก็ตามสมมติเราปฏิบัติตามธรรมะเนี่ย ตัวพระพรุทธเจ้าก็พอใจสงฆ์สาวกต่างๆที่เป็นพระอริยเจ้าต่างๆก็พอใจธรรมปุจ้ายังเคยพูดถึงศีลอันเป็นที่พอใจของเราพระอริยเจ้านะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะสอดคล้องกันอยู่ในแนวทางเดียวกันก็คือแนวทางศีลสมาธิปัญญาอยู่ตามมัตส์ค<จ>ุณเ <บน S 2> ข้าใจ ไ, ไหม<จ>และ<จ>ทีนี้น เ, เรื่องของการอย่างเช่นว่างั้นเราจะบูชาอ ย, ย่างไงล่ะการเส้นไหว้การบูชาการบวงสวงที่ถูกเนี่ยเป็นยังไงนะอย่างสมมติ เ, าเอาเอาไปไก่ไปบูชาพระพุทธรูปอย่างเงี้ย ถูกต้องไหมเราก็การบวงสวงที่ถูกต้องเนี่ยทายังไงการบูชาการให้ทานอย่างเงี้ยนะคือพระพุทธาพูดถึงการให้ทานอยู่การให้ทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกระทําแต่การบูชาการบวงสวงอย่างา ต, ต้นไม้เราไปบูชาต้นไม้อย่างเงี้ยพระพุทธาบอกว่าถ้าเรารับถือสิ่งนั้นเป็นสาระนเนี่ยอันนั้นยังไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมสูงสุดยังเป็นทางหมห่แทุกอยู่ แ, แต่การ <c oughs> บูชาที่ถูกต้องอเงี้ยสมมติเราบูชาพ่อแม่ด้วยการให้ของบ้าง โดยการพูดจาดีๆบ้างพวกนี้เป็นการบูชาทั้งนั้นเลยการบูชาเนี่ยเป็นเหมือนกับการทําความเคารพนะการให้เกียรติการบวงสรวงพวกนี้ <Okay. S 1> ซึ่งการบูชาที่ถูกต้องก็คือว่าการให้ทานต้นหนึ่งให้ทานหวังอะไรหวังเอาความตระรนีออกจากจิตของเราไม่ได้หวังให้เขาพอใจก็ยังไงคุณเตือนใจ <Okay. S 1> สมมุติว่าอาตม า, า, มาต้องการเอาของไปให้พระสง่์รูปใด ร, รูปหนึ่งที่เป็นพระเทระมากๆเลยเพื่อให้เขาพอใจเนี่ยอันนี้อาตมาทําผิด แต่ถ้าเราเอาของไปให้นะมีปัจจัยสี่อันคนแก่สมณะจะบริโภคไปให้ประสงค์รูปใดรูปหนึ่งเพื่อที่จะละความตระณีของเราอันนี้ถูกต้องทานเนี่ยเพื่อละความตระณีน ะ, ะเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ถูกแล้วทานเนี่ยที่พระเจ้าบอกว่าออให้ทานให้ทานดีเราก็ไปเข้าใจว่าโอ้ต้องให้มากๆากถึงจะดีแต่ว่าเราหาเข้าใจไม่ว่าไอ้ที่มากๆเนะี่ยคืออะไรมากคืออาตมา ก, ก็ต้องยืนยันว่าให้มากยิ่งให้มากยิ่งดีมากนี่คือศรัทธามาก สมมติคนคนมีทรัพย์น้อยแต่มีศรัทธามากเขาก็ให้น้อยได้แต่มีศรัทธามากนะคนมีทรัพย์มากมีศรัทธามากก็ให้มากได้เข้าใจไหมคือคุณมีน้อยคุณก็ให้ศรัทธาเต็มนะแต่คุณก็ให้อย่างเท่าที่คุณมีน่ะคุณมีมากศรัทธาคุณเต็มคุณก็ให้เท่าที่คุณมีน่ะเข้าเท่าที่คุณแบ่งใช้จัดสัดส่วนได้ตามเท่าที่คุณจัดสัดส่วนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาให้เนี่ยไม่ได้ดูที่ปริมาณเงินนะ แต่ดูที่ประมราณศรัทธาเพราะถ้าศรัทธาเรามากความตระหนี่เราน้อยถูกไหมมันเป็นของตรงข้ามกันมันเป็นของกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นให้มาก<จ>ต้องดี<จ>ไอ้คาว่ามากนี่คืออะไรให้มีศรัทธามาก<จ>มีความตระหนี่น้อยถ้าคุณจะให้แบบเล่าฉันให้น้อยๆคือตระหนี่มากๆเลยแล้วก็ศรัทธาน้อยทานนั้นนี่ยเป็นมลทินพระเจ้าเคยบอกทานนั้นเป็นมลทินเพระเาะฉะนั้นชีวิตคุณจะบูะชาบวงสรวงอะไรต่างๆที่มันถูกต้องเนี่ยคือคุณต้องคิดอย่างนี้ นะคือไม่ใช่ให้บุคคลนั้นพอใจแต่เป็นการกระทําที่ถูกต้องอย่างถามว่าเราทําบุญทักษิณาทานอุทิศให้แก่บรรพบุรุษเนี่ยทำไมจะไม่ควรทํารู้เจ้าอย่างสอนเลยนะพ่อแม่เราตายไปแล้วอย่างเงี้ยเราจะเอาเครื่องบวงสวงใปบวงสวงเอ๊ะมันมันก็สามารถทําได้แต่มันจะไม่ถูกหลักธรรมะไงเราเอาอาหาร uh huh. ที่เราจะมาบูชาเนี่ยนะไปเส้นไหวเลยนะเอาไปให้พระสงฆ์แกินอย่างน้อยพระสงค์ต่ออยู่ในมือหนึ่งโอ้เรา mm hmm. ดีละเอาบุญที่ได้เนอุทิศให้ท่านซะเ <Yeah. S 1> พราะถึงแม้อุทิศอาหารที่เราเอาไปอยู่หน้าหลุมศพเนี่ย ท่ากินไม่ได้สักคําเดียวนะก็จะมีแต่มดมากินแล้วก็มีแต่มแมลงมากินนะกินเสร็จแล้วอาหารนี้ก็ต้องทิ้งหรือไม่เราก็มากินเองแต่ถ้าเราอาหารเนี้ยมาทำท่านศีนาทานอาหารนี้ยังไงต้องอทศีนาทานอยู่แล้วใช่ไหมคือต้องสละออกเราก็เอาไปให้ประสงค์รับประทานได้นะบุญที่เกิดขึ้นก็อุทิศให้มาดาพิดาอันนี้เป็นระบบกระบวนการให้ทานหรือการบูชาที่ถูกต้องนะเอ่อทำให้มีคนพูดในสมัยปัจจุบัน น, นะว่า แต่ถ้าพ่อแม่ยังอยู่เนี่ยคุณแบบบูชาตอนนี้ยังดีกว่าคือพ่อแม่ยังใส่ปากกินได้แ ต, แต่ถ้าตอนตายไปแล้วเนี่ยไปตั้งหน้าหลุมศพเนี่ยท่านกินไม่ได้นะต้องเอาไปให้พระสงฆ์กินนะพระสงฆ์กินแล้วคุณเอาบุญเนี่ยมาอทิศให้ท่านก็ไม่รู้ว่าท่านได้หรือเปล่าถ้า<ช>ท่านอยู่ในสภาวะที่รับได้ก็ดีถ้ารับไม่ได้ก็สวยไปนะอย่างไรก็ตามเราก็ต้องบำรุงเลี้ยงบูชากันในลักษณะนี้สําหรับเรื่องการให้ทานนะประเด็นถัดมาคือเรื่องการ เรื่องหมอดูอย่างเงี้ยการพยากรณ์การทํานายทายทักสามารถอย่างที่พูดเจ้าสอนกับอย่างที่เราทําเนี่ยมันถูกต้องตรงกันไหมที่พูดเจ้าสอนพูดถึงการพยากรณ์เนี่ยมีมากมายนะการพยากรณ์ในคําที่พูดเจ้าบอกพยากรณ์พยากรณ์เนี่ยก็คือการตอบคําถามให้ตนนึ่นงนะเราจะตอบคําถามสมมุติมีคนมาถามอะไรมาอมาอ๋อได้ข้อ น, นี้พยากรณ์ให้ได้ว่าถ้าคุณทําชั่วนะคุณต้องได้รับผลของกรรมแน่นอนอันนี้คือเป็นการพยากรณ์ของเรา เรื่องการพยากรณ์นี้ยังมีอีกคือการพยากรณ์ของพระเจ้าเนี่ยคือมีคนมาถามคำถามธรรมะหรือว่าถามเรื่องเอ้ยเกิดแล้วตายแล้วไปไหนอย่างนี้นะพระเจ้าก็พยากรณ์ให้ได้ว่าถ้าทำชั่วคุณไปนรกถ้าทำดีคุณไปสวรรค์ในเรื่องของการพยากรณ์เนี่ยก็เป็นลักษณะการตอบคำถามนะคือสมมติมีคนมาถามพระเจ้าเออตายแล้วไปไหนพระเจ้าก็จะบอกอ่ะถ้าถ้าคุณทำชั่วคุณตายแล้วไปนรกนะถ้าคุณทำดีคุณตายแล้วไปสวรรค์กระบวนการการทำงานมีอย่างนี้ว่าวอธิบายฟังนี่คือการพยากรณ์นะคือบอกอธิบายระบบการทำงานของเขา นะไม่ใช่บอกว่าโอ้เนี่ยเธอนะตายไปแล้วจะเป็นมดนะแล้วก็ต้องทงํางี้แก้ดวงแก้อะไรอย่างนี้มันไม่ใช่เลย อ, อ่ามันอยู่ที่การกระทำํำนะเพราะฉะนั้นอันนั้นไม่ใช่ละอันนั้นเป็นไม่ใช่สิ่งที่พุทเจ้าสอนละทีะนี้การพยากรณ์ของพุทธเจ้าเนี่ยอาศัยอะไรเป็นเหตุเป็นปจัจจัยนั้นก็คืออาศัยศีลสมาธิปัญญาคุณมีสมาธิเนี่ยคุณสามารถน้อมจิตไปเฉพาะเพื่อการยานอย่างรู้อนาคตอดีตได้นะนี่คือเหตุปัจจัยของคนที่อ่าสามารถเห็นอดีตอนาคตได้ นะไม่ใช่ว่าเหมือนเหมือนอมายากลคุณตือนใจเขาคุณคุณตือนใจเลือกไพ่สักใยหนึ่งนะสลับไพ่อย่างนี้ควบวบอ่างี้เดอะอาตมาจะรู้ได้ว่าคุณตือนใจเลือกไพ่อะไร <Okay. S 2> เนี่ยนันเป็นวิชามายากลซึ่งมีพระเจ้าจึงบอกว่าโอ้ยถ้าบอกว่าฉันสามารถทายใจเธอได้เนี่ยว่าเธอคิดอะไรเนี่ยแล้วคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเนี่ยเป็นวิชามายากลที่เฉยหรอกไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรหรอกไม่ใช่เรื่องที่มีศีลสมาธิอะไรหรอกนะอันนี้ <Okay. S 2> ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้น แล้วพระเจ้าก็เลยหลีกเลี่ยงในเรื่องของพวกอิทธิปาฏิหาริษ์นะพวกที่ย่านอย่างรู้จิตค้นอะไรพวกนี้จะไม่ได้ใช้อยู่เป็นประจำแตคือใช้นีนเมื่อจําเป็นเท่านั้น <Okay. S 1> อ่านะอันนี้คือเรื่องของการแบบหมอดูการพยากรณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจะพูดถึงการพยากรณ์หรือดูหมอในทางที่พระเจ้าสอนเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนี้ <Okay. S 1> นะแล้วแก้เนี่ยเราต้องแก้ที่เหตุนะเราต้องแก้ที่ทําความดีอย่างเช่นอย่างเช่นว่าแก้ต้องอยู่ในระบบของอริยมรรคมีองค์แ ถ้าแบบว่าสมมติคุณจะแก้แล้วคุณไปนนนเอาในโรงนอนเอาผ้าขาวคลุมแล้วซื้อพระเครื่องตรงนี้มาใส่อันนี้ไม่ใช่พระเจ้าสอนล ะ, ะพระเจ้าตั้งแต่สมัยนั้นไม่มีพระเครื่องด้วยซ้ำนะแล้ว ก, ก็จะต้องเอาผ้ายานันผืนนี้ด้วยนะอันนี้ก็ไม่ใช่พระเจ้าสอนละเข้าใจเพราะที่พระเจ้าสอนก็คือว่าอังนั้นคุณต้องทาบุญดีๆทาบุญมากๆบุญเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบสมมติคุณมีความทุกข์ในปัจจุบันใช่มพระเจ้าเปรียบกับเกลือ ถ้าเอาเกลือสักก้นหนึ่งไปผสมในน้ำแก้วหนึ่งแล้วก็ดื่มเข็มแน่นอนถ้ า, าไปผสมในแม่น้ำเจ้าพริยาหรือแม่น้ำโขงแล้วดื่มลองดูมันไม่เค็มเลยเกลือเนี่ยเปรียบเสมือนความชั่วที่เราเคยทํามาความชั่วความผิดต่างๆบางคนทําแทง้งบางคนฆ่าคนบางคนทําไม่ดีโกงป้านเมืองเ้าทําไงก็ต้องแก่นังแก้ทําไงเอา้เอาน้ำเนี่ยเปรียบเสมือนความดีนะถ้าน้ํามากๆเจ้าความชั่วมันก็ให้ผลน้อยลงนะเพราะฉะนั้นเราก็ทําความดีมากๆทําความดีได้ยังไงถึงจะถูกต้องก็ทําตามระบบอริยมรรคมีองแ นะคุณทำไปคาไปอย่างนี้ถึงจะถูกแล้วต้องเข้าใจเรื่องความทุกข์ให้ถูกด้วยว่าคุณต้องทำความเข้าใจความทุกข์ให้ถูกไม่ใช่ว่าทุกจะไม่เอาแล้วสิ่งที่มีความอยากจะเอาเอาแต่ความอยากมันก็ไม่มีทางสิ้นทุกได้เจ้คาค่ะก็ไม่ได้ว่าไปเห็นทางที่จะหมดทุกอย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะใช่แล้วก็เรื่องของเครื่องรางของขลังนะวัตถุมงคลต่างๆนะผู้เาก็ในสมัยนั้นไม่มีอยู่แล้ว รูปเหรียญต่างๆรูปเคารพขณาดพระพุทรูปยังไม่มีเลยลพล้วผู้เชี่ได้เคยพูดถึงมงคลเอาไว้ในสมุติการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งการเคารพมารดาบูดาบิดาเป็นมงคลอย่างยิ่งการบูชาผู้ท<จ>ี่ควร<ว>บูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งการเข้าใกล้สมณะเป็นมงคลอย่างยิ่งเราก็ทําตามมงคลพวกนี้นะมันก็จะเป็นเรื่องสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตเราเป็นวัตถุมงคลของเรานะจุ๊ขะ ก็คือมงคลที่สาสิบแปดประการที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ใช่ไหมเจ้าค่ะอ๋อเราก็จะยึดถืออันนั้นก็จะเป็นมงคลที่แท้จริงเจ้าค่ะทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วแหมเดี๋ยวสมัยนี้มันมีอะไรต่างๆมากมายเราจะทำยังไงเจ้าค่ะนี้คือสิ่งที่ท่านผู้ฟังเนี่ยจะต้องเจออยู่ตลอดเวลาคนหนึ่งก็ซิปกระซิปหวอย่างนี้ให้ไปทำอย่างนั้นไปลอดใต้ท้องช้างอย่างนี้โอ้มันมีหลายแบบหลายอย่างมากเลยนะ เ, เราก็ต้องใช้หลักของพุทธพุทธประ จ, จนานะที่พุทเจ้าบอกเออให้เดินตามมรรคก็แล้วกันนะให้เดินตามมรรคอะไรที่มันจะหลุดนอกสิ่งที่เป็นคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ไม่ทําคือทําไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นจะเข้าข่ายศีละพัตะประมาดด้วยคือการรูปคาําศีลพรตคือการเข้ปาปฏิบัติแบบทํารูปรู ป, ปคาําำทาแบบออพอสบาบานน้ำไม่ตายอย่างเงี้ย อ, อย่างคนไปไปนั่งสมาธิอย่างเงี้ยบอกฉันนั่งแล้วล่ะ ก็แค่นั้นเองแต่นั่งเท่าไหร่15นาทีที่เหลือทําไงเดินกินลมชมวิวชมนกชมไมคะนี่คือแบบว่าลักษณะการทำความเพียรเลวสามพอสบานน้ำไม่ตายนะเจ้าค่ะโอ้โหซึ่งซึ่งเราก็ต้องหลีกเลี่ยงการทําอย่างนั้นอเราก็ทําตามสิ่งที่พระเจ้าสอนคือการที่จะบรรลุทำอันเลิศด้วยการกระทําอันเลวเนี่ยมันไม่ได้มันไม่มีเจ้าค่ะสิ่งสําคัญที่สุดยมคิดว่าอยู่ที่ความตั้งมั่นตั้งใจ ที่จะเพียรปฏิบัติที่จะละให้ได้ตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จริงไหมเจ้าคะใช่แ ล, แล้วเดี๋ยวนี้มันแทรกซึมมากอ อ, อันนี้พระพุทธเจ้าบอกให้แต่ไปตรวจสอบแล้วไม่จริงอันนี้นเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าบอกงี้นะอ น, นี้เดี๋ยวใส่ไว้เนี่ยเห็นลูลกเคาลบพระพุทธเจ้าจะได้นึกถึงพระพุทธเจ้าเอ๊ะมันมันเป็นยังไงคิด <Okay. S 2> ว่าในในตอนต่อไปวั น, ว, นวันพรุ่งนี้เราจะมาขยายความในเรื่องประเด็นต่างๆเหล่านี้พอเราจะได้บ้างนะคือในวันนี้ก็จะ ต, ต้องการให้ท่านผู้ฟังทราบเป็นเบื้องต้นก่อนว่าไอ้เวลาที่คําสอนพระพุทธเจ้าจริงๆก็มีนะคําสอนที่บิดเบือนก็มีนะในสมัยปัจจุบัเนเพราะนั้นเราก็พอจะแยกให้ทราบคร่าวๆแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่พรุ่งนี้เราก็จะมาลงรายละเอียดกันอย่างนี้นะได้เจ้าค่ะก็คิดว่าคงจะต้องอเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ตามรับฟังพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโน พ, โน พ, พระอาจารย์ของเรานะคะท่านได้สักชาหรือว่าสนทนาธรรมเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธองค์ที่แท้จริง กันต่อในเช้าวันพรุ่งนี้ก็คือเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่29เมษายนเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายนนะคะเป็นอาทิตย์ที่5ค่ะก็คิดว่าสำหรับวันนี้คงจะต้องหมดเวลาลงแล้วนะคะต้องกราบนมัสการกราบขอบพระคุณแล้วก็นมัสการลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโน พระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการของเราซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปริกเกรนตามพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะมีพระเยรพระครูหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิปากรท่านเป็นเจ้าอาวาสที่ ปฏิบัติมีปฏิบัติชอบแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่มากมายทั่วประเทศแล้วก็ยังในต่างประเทศด้วยนะคะค่ะเรากลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ต5ห้าเหมือนเคยนะคะสําหรับวันนี้มากราบนมัสกา ร, รขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบรุญอภิปุโนโพร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการขอบพระคะุณและกราบนมัสการลาเจ้าข้าพระอาจารย์เจ้าข้าเซนปานสาธเจ้าข้า